เขาก็จะชวนพูดเรื่องความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาดความาไปอย่างนั้นแหละ น, นั้นมืดแล้วเนีเราก็อคอยมืดกับเขาด้วยแต่พอเรามีสติแล้วก็ฟังเฉยใชย่ไหมฟังฟังไปว่อนนวอวาวอันนี้ชวนให้เกิดความโลภแล้วโออันนี้ชวนให้เกิดความโกรธแล้วอันนี้โชวนให้เกิดความหลงแล้วเราต้องระมัดระวัง ต, ตัวเองไม่หลงเข้าไปในนั้นปล่อยให้เขามืดไปคนเดีย ว, วเราอย่ามืดกับเขาเนี่ยเมราะว่าเรามีไฟฉายอยู่ในมือแล้วก็ส่งใจเราดู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 อลิแล้วนั่นวค่ายศึกใช่ไหมอลิลาศัตรูอลิเติมยากเข้าไปแล้วแปลว่าผู้ไปไกลจากค่ายศึกค่ายศึกของเราคืออะไรอิเลสตัวไหนบ้างความโลภแต่แเรารู้ว่าโลภปุหลงเป็นค่ายศึกแต่ทำไมเราไปวิ่งหาใส่ค่ายศึกเนี่ยมันมาเองหรือเราวิ่งหามัน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 มันยิ่งกว่าเงินแสนเงินล้านใช่ไหมเงิแสนเงินล้านแล้วก็ยังเรามีเงินแล้วก็วิตกกังวลวเอ๊ะใครจะมาหยิบ ม, มายืมใครจะมาพ้นใครมาขอมายื ม, มอะไรเราชักคนนั้นขอยืมคนนี้เขารั่วเรามีเงินในชักไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาเรามีสติสัญญายฝึกว่าเนี่ยจะมีคนกลัวคนจะมาขอไหมไม่กลัวอยากจะให้ด้วยซ้ำไปเนี่ยเาขาไม่ให้ก็ตามให้ขนนเขาอะนะเอาสีดี น, นั่นพาก็ทําอยู่แบ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งแบ่งยิ่งงอกอะ